เมื่อตอนบ่ายเนาะเมื่อตอนบ่ายได้กล่าวมาถึงข้อความในปฏิจจสมุปาฏาโดยอนุโลมลองมาทบทวนดูพุทธพจน์ที่พระผู้มีพระภาคได้พิจารณาในช่วงมัชชิมปฐมมยามแห่งราตรีนเนี่ยคือพูดแบบในหนึ่งก็คือหัวค่ำ ตั้งแต่หกโมงเย็นถึงสี่ทุ่มนนะการมนัสิการของพระผู้มีพระภาคเป็นการมนัสิการโดยครบถ้วนสมบูรณ์เนี่ยนะแล้วก็ไม่มีการลัดขั้นตอนอะไรสักอย่างปฏิจจสมุปบาทในปฐมโพธิสูตรนั้นแบ่งออกเป็นสองสองสอง อ, งอย่างนะอย่างย่อกับแบบพิสดารแต่ก็ถือว่ายังย่ออีกอยู่ดี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 พราะสลายยตนะเป็นป er e ัจจ er er well e e ัยจึงมีผ er ัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานเพราะอุปาทานเป็นเพราะภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะชาติเป็นปัจจัยจึงมีชรามรณะโสกะปริเทวะทุก์ โทมนัสและอุปายาตความเกิดขึ้นแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีได้ด้วยประการอย่างนี้หลังจากที่พระผู้มีพระภาคไครครวนโดยพิสดารคือพระองค์ก็ทรงทราบเนื้อความทั้งหมดและพระองค์ก็เปล่งอุทานขึ้นในขณะนั้นทวนอีกครั้งหนึ่งคำว่าอุทานนี้แปลว่าอะไรแปลว่า คาถาร้อยกรองที่แสดงถึงความปราโมทของพระผู้มีพระภาคเป็นคาถาที่เกิดขึ้นจากสมานัสยานเป็นสมุทฐานที่ล้นออกมาไม่สามารถเก็บไว้ในใจได้พระองคุทานว่าในการใดแลธรรมะทั้งหลายมาปรากฏแก่พรามผู้เพียรเพ่งอยู่ในการนั้นความสงสัยทั้งปวงของพรามนั้นย่อมสิ้นไป เพราะมารู้แจ้งธรรมะพร้อมด้วยเหตุเนื้อเนื้อความโดยสรุปในหน้าสองนะดูคาถานหน้าสองที่บอกว่าในการใดแลในการใดนี่หมายถึงการไหนการที่พระผู้มีพระภาคเนี่ยรบกับกิเลสมารทำทั้งหลายมาปรากฏแก่พราหมณ์ทำทั้งหลายเป็นชื่อของโพธิปัจขยธรรมหรืออริยสัจธรรม เมื่อโพธิปัจจยธรรมหรืออริยสัจธรรมปรากฏแก่พราหมณ์ผู้ลอยบุญลอยบาปผู้มีความเพียรคือประกอบด้วยสัมมปทานสีเพ่งอยู่ด้วยลักคนูปนิสชาลักคนูปนิส ช, ชาลและอารัมมานูปนิส ช, ชาณนะเมื่อโพธิปัขจะธรรมปรากฏอย่างนี้แล้วความสงสัยไม่ว่าจะสงสัย16สงสัยในปฏิจจสมุปบาทเป็นต้นความสงสัยทั้งหมดนั้นย่อมสิ้นไปเพราะรู้แจ้ง สังขารธรรมทั้งหลายที่เกิดเพราะปัจจัยธรรมคือเหตุนะเะเพราะพระองค์รู้เหตุรู้ธรรมพร้อมทั้งเหตุนั่นเองก็เลยหมดความสงสัยคำอธิบายอยู่ในหน้า68สนะิบอธิบายเต็มอยู่หน้า68อ่านจนลืมเรื่องอะนะเพิ่งถึงคำอธิบา ย, ยาง้ย บทว่าเอตมัถังวิธิตาวาแปลว่ารู้แจ้งเนื้อความที่ได้กล่าวไว้ว่ากองทุกมีสังขารเป็นต้นย่อมเกิดด้วยอวิชชาเป็นต้นโดยอาการทั้งปวงบทว่าตายังเวลายังได้แก่ในเวลาที่รู้แจ้งอัฏฐานั้นบทว่าอิมังอุทานังอุทานเนสิความว่าแปลงอุทานนี้อันแสดงอนุภาพการรู้เหตุและธรรมะอันเกิดจากเหตุ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 ป า, ต, ปาตุยะถาหเวปาตุพวันติเนี่ยนะมุ่งหมายว่าในการใดในการใดคือการไหนสมัยรบกับกิเลสมารโดยพระบาลีว่าพวกเธอจงใช้อาวุธคือปัญญารบมารนะใช้อาวุธคือปัญญารลบกิเลสมารปารตุพวันตินี่แปลว่าเกิดขึ้นธรรมมาธรรมมาคือโพธิปัจขยธรรม โพธิปัคคยธรรมนี้อันให้สำเร็จการแทงตลอดปัจจัยาการโดยอนุลม์คุณธรรมที่พิจารณาปัจจัยาการจริงๆนี่คือตัวปัญญาปัญญานี้เป็นหัวหน้าในการเจาะในการแทงตลอดปฏิจจสมุปบาทที่เป็นอนุลม์แต่ขณะเดียวกันนั้นปัญญาจะเกิดโดยปราศจาก คุณธรรมอย่างอื่นประกอบไม่ได้ก็มีคุณธรรมอย่างอื่นประกอบคือสติปัฏฐานสามมาปัฏฐานอิทธิบาทอินท ร, ะระ์สีภละโพชงอง์มร์ซึ่งตัวปัญญาคืออะไรบ้างในโพธิปัจขยธรรมปัญญาในโพธิปัจขยธรรมก็คือวิมังสิทธิบาทปัญญรียปัญญาพล ะ, ระธรรมวิจยะสมโพชฌงและสำ ม, มาธิเตปัญญาเหล่านี้ทําให้พระองค์เนี่ย แทงตลอดธรรมะคือปัจจัยการพร้อมทั้งผลที่เกิดขึ้นเพราะปัจจัยอีกอย่างหนึ่งนะ่นะหมายถึงว่าธรรมะปรากฏชัดโดยการตรัสรู้ธรรมมาได้แก่อริยสัจสนะเมื่อโพธิปัจฉิยธรรมปรากฏหรืออริยสัจสี่ปรากฏอาตาปะเรียกว่าความเพียรเพราะอัจว่าทำลาทกิเลสให้เร่าร้อน ทําความเศร้ามองให้เหือดแห้งชายโตได้แก่เพ่งด้วยรัมมานูปนิชฌานและลักขณูปนิชฌานอารัมมานูปนิชฌานนี้เป็นชื่อของสมถะลักขณูปนิชฌานเป็นชื่อของวิปัสนาพันธ์เจริญสมถะวิปัสนาควบคู่กันไปบรัมณสะเป็นชื่อของพระขีณาศพผู้ลอยบาปลอยอกุศลลอยความเศร้าหมองทิ้งโดยประการทั้งปวงอัทสะ กังขาวประยันติสภาความว่าครั้นพราหมนั้นมีธรรมะปรากฏอย่างนี้แล้วความสงสัยในปัจจัยการที่ที่ตรัสไว้เป็นต้นว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าโนกาโลปันโหปัญหาไม่สมควรเพื่อเฉลยคำถามว่าโกนุขโขพันเตพุสติใครเนอถูกต้องใครผัสสนะอันไหนใครผัสสะนี่เป็นคำถามใช่ได้ไหม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 เมื่อจะเฉลยคําถามว่ากัตมังนุขโขพันเตชรามรนังกัสะจะปนิธังชรามรนังชรามรณะเป็นไนพระเจ้าข้าก็ชรามรณะนี้เป็นของใครใครแก่ใครตาย น, นะใครแก่ใครตายคําถามนี้ก็ใช้ไม่ได้ไนะเพราะถ้าพูดถึงสภาพของปรัชญธรรมคือชรามรณะเป็นชื่อของอะไรชราขันขันธาตุอายตนะชรา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 โวหารหรือเป็นที่ตั้งแห่งที่เรียกว่าบัญญัติเนี่ยนะคือปรมัจารเป็นที่ตั้งแห่งบัญญัติเพราะฉะนั้นจะแยกบัญญัติออกไปจากปรมาจโดยสิ้นเชิงก็ไม่ได้จะแยกปรมัจไปโดยสิ้นเชิงไม่ได้ดูหน้าสาสิบห้าดูจะเห็นชัดหน้าสาสิห้านะหน้าสาสิบห้านับขึ้นห้าบรรทัดนั่นไง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 พบมีอยู่จริงแต่ไม่มีใครอยู่ในพบอุปาทานมีอยู่จริงแต่ไม่มีใครอยู่ในอุปาทานอุปาทานไม่ใช่ของใครไม่ใช่ใครนะแต่ว่าสภาวะธรรมทั้งหลายเหล่านี้เป็นสิ่งที่เกิดจากปัจจัยวัชราโมรณะก็คือการประชุมพร้อมแห่งขันที่สุดโทมนะแล้วก็เสียหายแตกทำลายไปชรามรณะเหล่านี้มามาจากอะไรก็มาจากการเกิดนะ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 อย่างสูตรที่เราคุ้นเคยมากอยู่แล้วและมาลองทำความเข้าใจกันดูซ้าอีกครั้งหนึ่งว่าอย่างอาศาัยจากขู่กับรูปเกิดอะไร เ, เกิดจากขูวิญญาณธรรมะสามอย่างประชุมกันเป็นภัสสะัสสะเป็นปัจจัยจึงมี เ, งเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีงตัญหาตัญหาเป็นปัจจัยจึงมีงอุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมี<อ>พบพบเป็นปัจจัยจึงมีจึงมีตา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 ปัจจุบันก็สาวไปหาเหตุในอดีตจนมีเห็นว่าตาเนี่ยเกิดขึ้นอย่างไรในปัจจุบันแล้วจากการเห็นอันเนี้ยคือการสร้างตาต่อไปอย่างไรในอนาคตเพราะฉะนั้นผู้ที่เพ่งอย่างเนี้ยไม่สงสัยในอดีตไม่สงสัยในอนาคตและไม่สงสัยในปัจจุบันนี้เลยนะค่อยๆไล่ทีละท ว, วารอย่างนี้นะอย่างเช่นทวารหูก็เหมือนกันนะ อ, อวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารสังขารเป็นปัจจัยจึงมี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 อนาคตถ้ามีหูอีกก็อาศัยหูกับเสียงเกิดโซตาวิญญาณหนึ่งแต่พระองค์ก็บอกว่าการเกิดขึ้นของหูหลังจากนั้นก็ชราและมรณะหูเนี่ยเป็นต้นเหตุแห่งโสกะปริเทวทุกโทมัตและอุปาญาตเพราะฉะนั้นความเป็นไปของเหตุคืออวิชาตันหกรรมในอดีตที่ทำให้มีหจูจนถึงว่าเมื่อมีหูแล้วมา ก่อให้เกิดหรือเป็นปัจจัยให้เกิดอวิชาตันหกรรมเพื่อให้มีหูต่อไปในอนาคตสิ่งเหล่านี้คือกระแสแห่งชาติชราและมรณะอาหารที่อ ร, อร่อยของโสกะปริเทวะทุกขโทมนัตและอุปายาตเรามีหูเนี่ยนะโสกะบ่อยไหมอย่างงี้นะก็นับตั้งแต่มีหูก็ต้องไปฟังเสียงที่ฟังแล้วลำบากใจมากจริงอยู่ถึงคำนั้นไม่ใช่คำด่า แต่อาจจะเป็นคำที่บอกว่าคุณเสียอะไรไปเนี่ยนะฟังแล้วก็เศร้าใจเลยใช่ไหมนะพันบอกว่าญาติคุณเสียแล้วฟังแล้วง่ยเลยอย่างเงี้ยนะพนหูหูเนี่ยเป็นต้นเหตุแห่งโศกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปาญาพันความเป็นไปของหูเหล่านี้ก็คืออิมัสะเกวรสะทุกขคัณฑะสะสมุทยโหติกระแสะแห่งกองทุกทั้งหลายก็ไหลเชื่อมโยงไปใน ไปอย่างนี้พะะนันความจริงที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าจะบอกว่าสิ่งเหล่านี้คือกองทุก์พร้อมทั้งต้นเหตุเท่นั้นแหละเป็นความทุกข์ที่มีอยู่จริงที่ไหลไปตามเหตุและปัจจัยแต่ถ้าพวกนอกาศาสนาเดียรถีทั้งหลายก็สำคัญว่าหูนี่เป็นเป็นใครหูนี่เป็นเราเมื่อหูเป็นเราปั๊บมีผู้สร้างหูให้เรา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 หูในอดีตให้ได้ยินเสียงก่อให้เกิดโสตวิญญาณธรรมะสามอย่างนั่นแหละประชุมกันเป็นภาษ า, าภาษะเป็นปัจจัยก็เกิดเวทนาเวทนะเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตันหาตันหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีพบพบเป็นปัจจัยจึงมีหูอันนี้ขึ้นดังั้นหูอันนี้มีมีกรรมมาพบเป็นปัจจัยทีนี้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 พรนธอดีตที่เราได้ยินเสียงไม่เคยแทงตลอดอริยสัจเลยไอายการที่ไม่เคยแทงตลอดอริยสัจในอดีตนั่นแหละเรียกว่าอาวิชชาพันธุ์ในอดีตเราก็ไม่เห็นอริยสัจอะไรเคยเห็นไหมโสตะโสตะสมุทัยโสตะนิโรธโสตะนิโรธาคารมิเนปฏิปทานในอดีตชาติเป็นต้นเคยทํำไหมเม <ME> ื่อไม่เคยทํานั่นแหละเป็นอวิชชาพันธุ์เมื่อมีหูก็สอดสายหูเนี่ยไปฟังเสียงก็ แต่ว่าอดีตนี่ทําบุญไม่ดีนะไอาศัยหูไปฟังเสียงที่เป็นบุญนะ่ะนะเสียงที่ก่อให้เกิดบุญเพราะกรรมเหล่านั้นก็เป็นบุญบุญกรรมตัวนั้นทําให้เกิดหูเนีย่ยนะตันหาก็เพลิดเพลินในเสียงเพราะนัอวิชาความไม่แทงตลอดอริยสัจในอดีตทําให้มีหูตันหาความเพลิดเพลินในเสียงในอดีตทําให้มีหูกรรมที่เมื่อได้ยินเสียงแล้วก่อให้ ก่ให้ทํากรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเนี่ยนะกรรมเหล่านั้นเป็นปัจจัยจึงมีหูแล้วหูอันนี้จเจริญเติบโตเพราะอาหารเพราะอาหาร น, นี่เมื่อหูเจริญเติบโตเพราะอาหารอันเรียกว่านิพพติเจริญขึ้นมาเรื่อยๆเพราะหูะโสตินรียถึงความแก่กล้าก็อาศัยหูกับเสียงเกิดโสตาวิญญาณใช่ไหมโซต์เป็นปัจจัยแก่ผัสสะและเวทนาอันนี้เป็นถือว่าเป็นกลุ่มผลของกรรมพอได้ยินเสียงปั๊บก็ะนะ ตันหาก็เกิดขึ้นเพราะเวทนาโดยมากและโดยมากเวทนาเกือบทั้งหมดเนี่ยเป็นปัจจัยให้เกิดตันหามันก็กายกรรมวจีกรรมมนโนกรร ม, มนั้คนได้ยินเสียงหนึ่งเสียงเอาไปคิดมากเว้นอริยสัตว์เทนั้นแหะนั่นเองเสียงทั่วๆไปเนี่ยฟังแป๊บเอาไปคิดมากเฮ้ยทำไมเขาพูดอย่างนั้นเสียงนั้นมีความหมายว่าอย่างไงมันมีอะไรอยู่เบื้องหลังหรือเปล่าอะไรเนี่ยพยายามคิดคิดคิดคิดเสร็จแล้วก็มาพูดถึงเป็นวจีกรรม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 เพราะเป็นปัจจัยจึงมีจมูกจึงมีจมูกบัณชติตหน้าถ้ามีจมูกเอกก็อาศัยจมูกกับกลิ่นเกิดคานณะวิญญาณก็จมูกเชื่อมโยงกันต่อไปอย่างนี้แต่ว่าถึงการเกิดของจมูกก็ตามก็คือชาติชรา ม, มรณะแล้วต้นเหตุของโสกปริเทวทุกโทมานัตและอุปายาสนี่นะเป็นกระแสะความเป็นไปกระแสะที่ไหลไปแห่งกองทุกนั่นเองเนี่ยนะ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 จมูกอันนี้ถือว่าเป็นเป็นอาญตนะเป็นบ่อเกิดแห่งอวิชชาตันหาอุปาทานกรรมเพื่อให้มีจมูกต่อไปในอนาคตเพราะฉะนั้นมีจมูกเอาไว้ต่อจมูกเนี่ยนะปัญหาว่าทิ้งจมูกอันนี้ถึงเอาจมูกแบบไหนจมูกแหว่งเพดานโวคงไม่ใช่หร้กเนาะหรือมีจมูกประเภทไหนจมูกยาวเฟื้อยเลยอย่างเงี้ยไม่ใช่เนาะแต่ว่า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 มันถ้ามีกายในอนาคตต่อไปก็อาศัยกายกับโพธภาภะเชื่อมโยงกันไปอย่างนี้มันอดีตเนี่ยนะสรุปที่มีกายอันนี้ขึ้นก็ อ, อวิชาเป็นอาศัยกายในอดีตกระทบกับโพธภาภะขอให้เกิดกายยะวิญญาณในอดีตใช่ไหมวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีอะไรนามรูปนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีก็มีกายเนี่ย พอมีกายอาศัยกายกับโพธิภะกระทบกันก็เกิดนะภัสสะสลายตนะก็สืบเนื่องเชื่อมโยงกันไปในลักษณะนี้พรานผู้ที่เข้าใจปัจจัยอย่างนี้สงสัยไหมว่าในอดีตเคยมีกายานะสงสัยไหมว่ากายในปัจจุบันสงสัยว่ากรรมที่จะทำให้มีกายต่อไปในอนาคตกระแสที่ไหลไปสืบเนื่องกันอย่างนี้เรียกว่ากองทุกข์ที่โยงกันไปลักษณะนี้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 จิตใจเพื่อให้มีให้มีความสุขในพบต่อๆไปพวกนั้นถือเอาความสุขพังใจเป็นหลักแต่กามาวจรภพพวกนี้ถือเอาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นหลักเพราะนะนในตัวใจเนี่ยนะใจที่เกิดร่วมกับกิเลสเกิดร่วมกับกรรมนะใจบางอย่างถ้าใจที่เป็นกิเลสเนี่ยบวกกรรมเข้ามาด้วยใจที่เป็นกรรมบางครั้งก็ไม่มีกรรมิเลสเพราะเป็นกรรมที่เป็น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 อนาคตถ้ารู้กลิ่นก็มองเลยว่าอดีตเหตุปัจจุบันผลปัจจุบันเหตุอนาคตผลต่อไปทีนี้ทวารลิ้นละลิ้นก็อดีตเหตุเป็นปัจจัยให้มีลิ้นพอมีลิ้นปัจจุบันผลอย่างนี้ก็มาทาเหตุใหม่ลิ้นเนี่ยนะไปทำเหตุใหม่ใช่ไหมเพื่อให้มีลิ้นต่อไปในอนาคตเหตุปัจจุบันทำให้มีผลต่อไปในอนาคตแม้กายของเราทั้งหลาย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 เพราะว่าพวกนี้จะมองอะไรมองออกมองทุกอย่างทะลุโปรง่งแล้วก็วิชาพวกนี้กึ่งวิชาสติติเนี่ยนะกึ่งวิชาสติติทีนี้สรุปวันหนึ่งเราลืมตากี่ครั้งได้ตากี่คู่ดีนะสร้างตากี่กี่เท่าดวงดาวแล้วมั้งเนาะลืมตาครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยวันเนี้ยดูดูภาพมากี่ภาพแล้วอ่ะนั่นแหละคือตาในอนาคตต่ตอไป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 รูปก็อนุปัสนาเจตจักขูวิญญาณก็อนุปัสนาเจตภาษาก็อนุปัสนาเจดเวทนาก็อนุปัสนาเจดถ้าเจริญตามนั้นจริงก็เป็นการปฏิบัติเพื่อออกจากตาแ ต, <c oughs> แต่การปฏิบัติที่จะออกจากตาได้ดังกล่าวไปเนี่ยนะจะต้องเข้าใจเหตุผลเหตุผลเชื่อมโยงกันจริงๆจนรู้ว่าทำไมต้องเจริญอนุปัสนาเจ็เนี่ยนะจนตอบได้ว่าถ้าไม่เจริญอย่างนี้เนี่ยวัตตะยาวแน่ Blue แต่ถ้าการเจริญลืมตาจากขูไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นต้นรูปไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจากขูวิญญาณผัสสะเวทนาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาใคร่ครวญอย่างละเอียดละอีทีทุวนเนี่ยนะย่อมเบื่อหน่ายในจากขูย่อมเบื่อหน่ายในรูปย่อมเบื่อหน่ายในจากขู่วิญญาณเมื่อเบื่อหน่ายในจากขูวิญญาณเบื่อหน่ายในผัสสะและเวทนาเมื่อเบื่อหน่ายตรงกันข้ามกับตันหาเรียกว่าสัมโรคตันหาโดยไม่มีส่วนเหลือถ้าตันหาดับ อุปาทานก็ดับถ้าอุปาทานดับพ บ, พบก็ดับถ้าพบดับตาก็ดับนีนะตาต่อไปในอนาคตก็ดับหรือเสียดายมีอะไรตั้งหลายอย่างที่ยังไม่เห็นเลยเนี่ยที่โน่นก็ยังไม่ได้ไปดูที่นี่ก็ยังไม่ได้เห็นเลยนะสีสวยๆก็ยังไม่ได้ไปดูเลยอย่างนั้นดอกไม้ดอกนั้นเขาว่างามมากยังไม่เคยเห็นเลยอย่างนั้นนะมันก็บอกว่าถ้าอย่างนี้ก็เกิดอีกนานนะถูกผีหลอกไปอีกนานอย่างนั้น ทุกทวารเลยนะจะต้องเป็นอย่างนี้ทวารหูก็เหมือนกันมันเมื่อเห็นะนะเชื่อมโยงทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันก็ละความสงสัยในอดีตหละความสงสัยในอนาคตห้าละความสงสัยในปัจจุบันหเรียกว่าตัดความสงสัยในะละความสงสัย16ข้อ16ข้อนะสงสัยในอดีตว่างไงบ้างอดีตเราเคยมีแล้วหรือหนอ หรือว่าเราไม่เคยมีเราเคยมีแล้วเราเป็นอะไรหนอเราเป็นอะไรแล้วเป็นอย่างไรหนอเป็นอะไรแล้วเป็นอะไรต่อไปอีกหนอะก็เลยสงสัยตกลงเป็นอะไรกันแน่เน่น <c oughs> เราเคยมีหรือเราไม่เคยมีในอดีตเออเราเคยมีสัสตตทิฏฐิเราไม่เคยมี <c oughs> พวกนี้อาธิจะสมุปปณทิฏฐิเรามีแล้วเราเป็นอย่างไรหนอ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 พระพุทธเจ้าองค์กรนะทีปังกรเนี่ยเราอยู่ที่ไหนนตอนนั้นตงสายเราประมาทมากนะคิดไปเรื่อยนะยิ่งคิดยิ่งฟุ้งเอถ้าพระสีอานมานะเราจะตัดจะเกิดทันไหมเนี่ยถ้าเราพลาดจากศาสนาพระสีอานนล้วเราจะไปเป็นอะไรต่อไปคิดไปเรื่อยคิดไปเรื่อยมีแต่เราเราเราเราไปเรื่อยเนาะนะเอและชาตินี้เราจะได้ดีหรือเราไม่ได้ดีเนี่ยเราจะเป็นอย่างไรนาะเนี่ยนะมันดูถ้าจะเจริญหรือจะเสื่อมมันยิ่งคิดยิ่ง ไม่น่าแล้วนะเดือดร้อนหมอจริงๆเราเอายาไปกล่อมประสาทเนี่ยนะจะหลับพักผ่อนซะบ้างมันก็สมควรแล้วนะเพราะว่ามันมันตั้งโจทย์ไว้ผิดทําความเข้าใจไว้ผิดไม่มีการแยกแยะคิดเรียกว่าคิดแบบอโยนิสมานันตการคิดแบบคนคนเข่าคิดะนะก็ปกติถ้าเราคิดได้อย่างนั้นนะอันนี้ปกติของคนที่เฝ้าวัตะเขาคิดกันอย่างนี้ทั้งนั้นแหละแต่ถ้าคิดแบบพระพุทธเจ้าเนี่ยคือคิดแบบเพื่อจะออกจาก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 ภาษาเป็นเหตุกองทุกคือตัณหามีเวทนาเป็นเหตุกองทุกคืออุปาทานมีตัณหาเป็นเหตุกองทุกคือภพมีอุปาทานเป็นเหตุกองทุกคือชาติมีภพเป็นเหตุกองทุกคือชรามรณะโสกากะ ป, ประิเทวะทุกโทมานัตอุปาญาตมีชาติเป็นเหตุมันก็มีแต่กองทุกอ่ะมันไม่ใช่ใครทุกทุกในที่นี้แปลว่าทุกในที่นี้คือปีรณะสันตาปะ สังคตะวิปรินามะทุกตัวนี้เนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่ปีละนะเบียดเบียนบีบคันสันตาปะเป็นสิ่งที่เร่าร้อนสังคตะล้วนแต่ถูกปัจจัยปรุงแต่งในที่สุดวิปรินามะมีแต่ความแตกสลายไปพันคำว่าทุกในที่นี้หมายถึงสี่คำนะทวนอีกครั้งหนึ่งนะกองทุกทุกคือสันตาป ะ, อะขอโทยทุกคือปีรณะนะทุกคือสันตาปะทุกคือ สังคตะทุกคือวิปริณามะา น, นะชรามรณะก็คือทวนอีกครั้งหนึ่งนะปีรณะเบียดเบียนสันตาปะเป็นสิ่งที่ ร, รนนะ้ร้อนนะร้อนรึอไม่ร้อนก็คนละอุณหภูมิคนละเท่าไหร่ น, นะถ้ามันเกิดเกินสี่สิบเมื่อไหร่นะลำบากแล้วนะหมวเนอะของร้อนจริงๆแหละสันตาปะแล้วก็สังคตะนะกว่าจะปรุงได้ขนาดนี้ถามว่าโยมกว่าจะโตขนาดนี้หมดอาหารไปกี่หม้อแล้วเนี่ย ปรุงจริงๆนะกว่าจะได้รูปเทธนาแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยนะแล้วถามว่าแปรไม่คิดว่ามันจะแปรไปไหมเนี่ยจะอยู่สภาพนี้ไปตลอดไหมไม่แล้วเนาะดูเพุ่งนี้เนี่ยนะแก่กวัวนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปเนี่ยผ่านไปอีกไม่กี่วันเดี๋ยวก็แกรกวันนี้เนะี่ยเดี๋วก็เปลี่ยนไปเรื่อยอย่างนี้แหละ <c oughs> เพราะกองทุกหลังเนี่ยถ้ารู้อย่างนี้ว่ากองทุกคือชรามรณะในอนาคตเนี่ยนะ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 ปิดให้มันตายเสร็จแล้วค่อยๆเปิดแง้มดูที่วิญญาณมันหลุดไปตรงไหน <c oughs> นะก็หาไม่เจออีกเอ่เอาไงก็เลยหาวิธีพิสูจน์ว่าวิญญาณนี่มันออกจากตรงไหนรัดคอก็อแล้วถ่วงน้ำก็แล้วพาชําแหลกออกมาก็หาวิญญาณไม่เจอแล้วมันไปยังไงกันแม่ของเราเข้าใจไม้มถ้าตอบได้ไหมถ้าใครถามแบบนี้อ น, น, นก็สมมติถ้าเราคิดถึงบ้านนี้วิญญาณมันออกไปตรงไหน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 แล้วมันวิ่งไปหไยฟังยังไงต่อไปสิ่งเหล่านี้มันเป็นสังคตะธรรมมันเป็นสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นผู้ที่มีการไข่ครวญอย่างละเอียดนี่จะไม่มีคําว่าสงสัยเนี่ยนะไม่สงสัยจริงๆเพราะมันเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นผลก็มีอะไรความจริงในโลกนี้มีแต่ทุกข์กับเหตุแห่งทุกข์ที่ไหลสืบเนื่องกันไปมีเหตุมีผลมีเหตุ ม, หตมีผลเชื่อมโยงกันไปแล้วทุกข์นี้มันดีจริงหรือเนะี่ย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 ความสุขยั่งยืนหรือเมื่อไม่ยั่งยืนสิ่งสุขเวทนาเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงเมื่อความสุขอันนี้ไม่เที่ยงแล้วมันจะสุขจริงหรือสุขปลอมมันก็สุขปลอมเนยนะอย่างสมมุติถ้าแรางร่างกายของเราโอ้ยร่างกายสบายมากเนี่ยนะสุขภาพดีเยี่ยมคุณคิดว่าคุณไม่ป่วยเลยหรืออถ้าป่วยแล้วความสบายเหล่านั้นมันหายไปไหนหมดใช่ไหมอย่างสมมติเที่แขนเราไม่ปวดไม่เมื่อยนะจะยกอะไรก็สบายมันสบายไปหมดเลย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 เรียว่าเป็นผู้มีศีลกับกรรมมสกตาแล้วพระองค์จึงแสดงคำสอนเหล่านี้ให้ฟังเพราะพวกอ่ะ น, นะพวกคนเลวทั้งหลายมันก็หาช่องอยากจะทําเลวมานานแล้วนะอยากจะปล่อยกายปล่อยใจเต็มที่พอมาฟังคำสอนบอกไม่ควรยึดมั่นถือมั่นคุณจะไปยึดถือทำไมเนี่ยนะไปยึดอย่าไปยึดมากสิ่วิธีขอสตังไปเที่ยวก็ทายัางไง นี่ให้คุณแม่ยึดมากยึดถือมากเขาปล่อยปล่อยซะบ้างสิเอาตังมาผมจะได้ไปเที่ยวอย่างไงนะบางทีก็เลยกลายเป็นเครื่องมือของคนเลวเห็นไหมเป็นกลเว่าเป็นเป็นเล่เทศทุบายของคนลวงเนี่ยนะยังใช่บางคนนี่ก็กลายสอนให้คนอื่นเนี่ยพระสมัยพุทธการมีรูปหนึ่งวิธีท่านไปเทศนะยเม้ออย่าไปยึดมั่นอย่าไปถือมั่นพระพิสุอย่าไปยึดมั่นถือมั่น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 โพธิปักคยธรรมทั้งหมดมีเท่าไหร่7มหมายถึงกุศลธรรมเต็มเปี่ยมบริบูรณ์หรือการแทงตลอดอริยสัพจะทำปรากฏเกิดขึ้นแจม่มแจ้งแก่พรามนั้นคือผู้มีปัญญา น, นั้นผู้ลอยบุญลอยบาปนั้นในวิปัสนาญาณและมัคคานคำว่าโพธิปักคยธรรมหรือจตุสัจธรรมนี่เขาแบ่งออกเป็นสองระดับคือระดับวิปัสนาญาณกับระดับมัคคิ ในสองอย่างนั้นเพึงทราววิปัสนาญาณก่อนทำทั้งหลายมีสติเป็นต้นที่สัมปยุตธ์ด้วยวิปัสนาญาณและวิปัสนาญาณเมื่อละสุภาสัญญาเป็นต้นด้วยอำนาจตทังขะปะหะในอารมณ์ของตนจึงเกิดขึ้นเป็นส่วนๆโดยอนุปัสนามีกายานุปัสนาเป็นต้น โพธิปัจขิยธรรมคืออะไรคือสติประทานสี่สัมมาประธาน4อิธิบาสสีอินรีห้าพละหา้าโพชองเจดอริยมรตมีองค์8หรือเรียกว่ามรก8ดเนี่ยนะเรียกว่าทั้งหมดนี้มีอยู่เจกลุ่มมี37หัวข้อใน37หัวข้อถ้าย่อมาก็มีประมาณ14องค์ธรรมหรือ14สี่สภาวะเนี่ยนะก็มีอะไรบ้างก็มีสติเป็นต้นทีนี้สติก็แบ่งออกเป็นสติมีส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 สติที่พิจารณากายสามารถละสุภาษัญญาได้อย่างนี้เรียกว่ากายานุปัสนาสติที่เกิดขึ้นพิจารณาเวทนาละสุขสัญญาได้ละสุขวิปปาฏได้อันนี้เป็นเวทนานุปัสนาสติที่พิจารณาจิตเนี่ยนะละนิจจาวิปปาฏได้เป็นจิตานุปัสนาสติที่เกิดขึ้นพิจารณาธรรมะละอัตตวิปปาฏได้เป็น ธรรมานุปัสสนาน่ะนะถ้าสติเกิดขึ้นเนี่ยนะสติเกิดขึ้นความเพียรเกิดขึ้นสติที่เกิดขึ้นนี่เป็นสติประธานเป็นสตินีสติภลร ะ, ระเป็นสัมมาสติเป็นสติสัมโพชงความเพียรที่เกิดขึ้นกเกิดร่วมกับสติความเพียรนั้นเป็นสัมมประธานเป็นวิมังอ่าวิรยิยติบาทเป็นวิรยิยธิบาท ว, วิริยะอ่าวิริยนีวิริยะภล ะ, ระ วิริยะสัมโพชฌงและสัมมาวายามะก็เกิดขึ้นอันนี้ในขณะวิปัสนาเนี่ยนะคือในขณะพิจารณาเพ่งเพียรเพื่อจะละวิปราสาทั้งหลายแต่ในขณะมะักธรรมะเหล่านั้นทั้งหมดธรรมะเหล่านั้นคืออะไรคือโพธิปขัขจะธรรมทั้ง37เหล่านั้นเนี่ยเมื่อหน่วงเอาพระนิพพานอ่ะนะโพธิปขัขจะธรรมที่สมบูรณ์นั้นมีพระนิพพานเป็น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 การปฏิบัติธรรมก็คือการเจริญโพธิปัจจยธรรมในขณะโลกิยะเพื่อให้โพธิปัจจยธรรมในขณะโลกุตระเกิดขึ้นในข้อนี้เพืงอทราบว่าโพธิปัจจยธรรมปรากฏด้วยอัถตะว่าเกิดขึ้นด้วยประการชนิดก่อนเขาก็มีแบ่งออกเป็นสองในใช่ไหมในคาถา <c oughs> ที่บอกว่า ในการใดโพธิปัจขยธรรมทั้งหลายมาปรากฏแก่พราหมณ์ผู้มีความเพียรเพ่งอยู่ในการนั้นความสงสัยทั้งปวงของพราหมณ์นั้นย่อมสิ้นไปเพราะมารู้แจ้งธรรมะพร้อมด้วยเหตุอันนี้หมายถึงว่าโพธิปัจขยธรรมปรากฏขึ้นมาปรากฏนี่หมายาว่ามันอยู่ๆแล้วมันโผล่ขึ้นมาเลยใช่ไหมอ้าวปรากฏแปลว่าอะไรปรากฏนี่แปลว่าเจริญจนเต็มเปี่ยมบริบูรณ์แล้วจนโพธิปักขยธรรมเนี่ย เรารว่าอนะไรนเจริญจนได้ที่แล้วเนี่ยนะจนสามารถตัดความสงสัยเพราะรู้เหตุรู้ปัจจัยทั้งหมดได้อันนี้ในที่หนึ่งนะในยะที่สองคือเมื่อใดอริยสัจธรรมทั้งหลายปรากฏแก่พราหมณ์ผู้มีความเพียรเพ่งอยู่ธรรมะตัวนั้นเนี่ยแบ่งเป็นโพธิปัจฉยธรรมในข้อที่หนึ่งกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่สองอริยสัจธรรมเพราะคําว่าธรรมะนี่มันเป็นศัพท์ที่เป็น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 เพื่อลั ว, วิปลาดดังกล่าวไปแล้วส่วนอริยสัจธรรมฝ่ายโลกุตระปรากฏด้วยภาวะที่น้อมไปในโลกุตระธรรมนั้นพึงทราบว่านิโรสัจจะปรากฏหมายคําว่าเพียรเพ่งจนปรากฏแทงตลอดพระนิพพานด้วยการตรัสรู้โดยอารมณ์ในขณะมักคืออริยมักเกิดขึ้นเนี่ยนะแทงตลอดพระนิพพานโดยอารมณ์หรื อ, อนิโรสัจจะพึงทราบว่าทั้งหมดปรากฏ ด้วยอัตถะว่าแจมแจ้งปรากฏชัดโดยการตรัสรู้กิจตรัสรู้กิจในทุกขสัตย์ในสมุทัยสัตว์ตรัตรสรู้นิโรธสัจจะโดยอารมณ์อริยมรรคนี้เมื่อเกิดขึ้นนะตรัสรู้ทุกสมุทัยโดยกิจตรัสรู้นิโรธโดยอารมณ์ดังนั้นสรุปพระผู้มีพระภาคเจ้า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 อินทร์สัจจะปฏิจจะพระพุทธเจ้าเจริญวิปัสนาแนวปฏิจจะสมุบาตวิปัสนามุคคือปฏิจจะสมุบาต ท, ทรงเกิดส ม, มนัตอย่างรุนแรงจึงเปล่งอุทานในข้อนี้อันแสดงถึงอนุภาพการตรัสรู้ปัจจัยการนั้นของพระองค์พร้อมเนี่ยนะโดยเป็นปัจจัยในการตัดปฏิปักธรรมได้เด็ดขาดเมื่อแทงตลอดปัจจัยการอย่างเนี้ยตัด ปฏิปักษคธรรมเนี่ยตัดอะไรปฏิปักษเนี่ยฆ่าศัตรูออกไปศัตรูนั้นคืออะไรความสงสัยพระองค์เนี่ยเมื่อตรัสรู้อย่างนี้ฆ่าศัตรูคือความสงสัยได้เด็ดขาดส่วนรายละเอียดที่เหลือเนี่ยนะหลังจากนี้ไปก็ขยายสับเป็นส่วนใหญ่ไม่กล่าวเนี่ยนะไม่ไม่ไม่อธิบายถือว่าสูตรที่หนึ่งก็จบด้วยดี